ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตผองมสินอินทเสระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เจ็ดนี่นะครับเรื่องที่เจ็ดนี่เกี่ยวกับการทรมานนันโทป น, นันทนาคาราชซึ่งพระภู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ะมาโมคลานะ ไปทรมานคำว่าทรมานในภาษาในภาษาทางวัดทางพระนี้ไม่ใช่ไปทําให้เจ็บปวดนะครับว่าไปฝึกทรมานนี่คือไปฝึกแต่ว่าคำว่าทรมานในภาษาโลกภาษาชาวบ้านนี่คือไปทําให้เจ็บปวดพระท่านไม่ทรมานอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างพระอราหันต์พระอราหันต์ด้วยท่านก็ไม่ทรมานให้ให้ใครเจ็บปวด ว่าคำนี้ใช้ในความหมายว่าไปพุทแล้วถ้าเผื่อท่านได้ยินคาว่าพระพุทธเจ้าไปทรมานคนนั้นคนนี้หรื อ, อพระมาหาโมคลานะไปทรมานคนนั้นคนนี้เขาไม่ได้หมายความว่าไปทำให้เจ็บปวดเหมนกับที่ภาษาโลกเขาใช้อยู่ในที่นี้ก็หมายถึงการไปพุทธนั่นเอง ทีนี้บางทีก็ความหมายมันไปจึงกับว่าเมื่อพระภู้มีประภาคอย่างทรมานอยู่ก็แปลว่ายังทรงพระชนอยู่ท่าใช้คำว่าทรมานมืนกันแต่ใช้ตัวทอดทงทอดทงถ้าเป็นทอดทงก็แปลว่ายังทรงพระชนอยู่ทรมานนั่นแหละทรมาน ท, ทอทอดทงรอเรือหมอมมาศรานอ น, นูแต่ถ้าเป็นทอทหารก็แปลว่าไปฝึก อย่างในสวดมนต์ท่านคงจะได้กล อ, อกท่านที่สวดมนต์ทรมาโนโซภะควาธรมาโนโซภะควาเ่าผู้มีพระภาคเมื่ อ, อยังทรงไถ่ชนอยู่เนี่ยก็ได้ทรงจัดสิ่งนั้นสิ่งนี้นก็ว่าไปทีนี้ก็พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้กับมหาโมคลานะไปฝึกนาชาชื่อนันโทปนันทะ ท่านผู้เป็นธรรมฉันว่านันโทปานันทผู้ชักขังวิภูทางมาหิทถิงปุเตนะเถระผู้ชะเคนะทมาปยันโตนี่ทมาปยัญญโนโตแปลว่าไปฝึกฮิตูปเดสวิทินาฮิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคลานิแปลว่าพระจอมมุนีให้พระมหามกขลานะผู้เป็นบุตร ปุเตนะเทระพุชเกผู้เป็นพระเทระประเสริฐเนี่ยเทระพุชเกนะ่ะเป็นเปนพระเทระที่ประเสริฐเป็นผู้ชงเหมือนกันผู้จะฆ่เหมือนกันเป็นนาคเหมือนกันเป็นผู้ประเสริฐพระเทระผู้ประเสริฐผู้เป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคนั่นแหละก็ให้ไปทรมานนันทนาราชราสก็ชนะได้เวริศ ด้วยการแสดงฤทธิ์ใช้คำวมอุปเทศก็ได้อุปเดสะปเทสะจิตโทปเทศ ะ, ทศทะศวิถีนาด้วยวิธีการแสดงฤทธิ์โดยเดยแเ่งพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นขอช้ยมงคลจงมีแก่ท่านดา น, นโทปนันธนาขราชนี้ก็มีความทนงตนมีปมเครื่องมีความทนงตนมีอาหาการ มากว่าตนเป็นผู้มีฤทธิ์มากาไม่มีใครสู้ได้พระพุทธเจ้าก็เห็นว่ามีอุปณิสัยอยู่ปณิสัยจะฝึกได้ก็ให้เจ้ามหาอุคลานะไปฝึกขนาดเจ้มหาโมคานะก็ได้แล้วไม่ต้องถึงรอบมีประภาอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เจ็ดนครับรายละเอียดก็พอมีอะแต่ว่ามันเป็นเรื่อง ค่อนข้างจะทพิลึกเกื่อนะครับก็เลยผมก็เอาเว้นเป็นเสียไม่นํามากล่าวนี้มาถึงเรื่องที่แปดเรื่องที่แปดนี่เกี่ยวกับพรมประกาบพรมที่มีความเห็นผิดสําคัญผิดมีความเห็นผิดก็มีประพักเสด็จไปทรมานเองไปปราบเองไปพิชเอง ท่านผูกเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าลุกขาหะดิทติผุชเกนะสุดาตหาตังพรา ม, มังวิสุทธิชุติมิตริป ก, กาพิทานังยานาคะเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะ ส, สาภาวตุเตสยมังคลานิาแปลว่าพรมผู้มีนามว่าภักกามีฤทธ และสําคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์คือเห็นว่าพรมนั้นสูงสุดแล้วดีที่สุดแล้วเที่ยงยั่งยืนมีทิฏฐิผิดรัรึงอยู่อย่างแน่นแฟน้นองค์พระเจอมมุนีเอาชนะได้ด้วยคทาคือพระญยานยาคเทนะอด้วยคทาคือพรยียญ โดยเดชแหงพระจอมมุนีนั้นขอชัยยมงคนจงมีแก่ท่านรือประกาบพรมนี่มีความเห็นผิดว่าความเป็นพรม่มความเป็นพรมนี่สูงสุดแล้วความเป็นพรมนี่สูงสุดแล้วยั่งยืนยั่งยืนที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนไปกว่านี้แล้วก็บริสุทธิ์ที่สุดเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้ แม้แต่นิพพานประกาศพร้มก็เห็นว่าเรื่องนิพพานที่พูดพูดกันอยู่นั้นก็เหลวไหลทั้งเรื่องไม่มีจริงถ้าจะมีนิพพานก็คือนั่นแหละความเป็นพร้อมอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละมีความเห็นผิดอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สเสด็จไปสเสด็จไปโปรดไปสแสดงความจริงไปตรัดความจริงไป บอกให้ทราบว่าความจริงเป็นอย่างไรว่าพรมนี่ก็ไม่ยังยืนไม่เที่ยงไม่ยังยืนแต่ว่าพอหมดกำลังฌานก็จะเป็นคนธรรมดาหมดกำลังฌานแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนธรรมดาหรือว่าจากพรมโลกลงนรกก็ได้จากพรมโลกถ้าหมดกำลังฌานแล้ว อกุศลกรรมมาถึงเวลาที่อกุศลกรรมจะให้ผลลงในรบเลยก็ได้อเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะท่านงงตนกว่ายั่งยืดเี่ยงยังยืดไม่มีสิ่งอืนยิ่งกว่าพระนิพพานยังมียิ่งกว่าหรือดีกว่าความเป็นภพตั้งเยอะเลยเพราะว่าไม่เสื่อมนี่ท่านกล่าวเอาไว้ในคาถาสารุปคาถาสารุป ท่านกล่าวไว้ว่าเอตาปิพุทธชัยมังละอัตคาถาว่าพุทธชัยมงคลกาถาทั้งแปดประการนี้โยวาจาโนโดินาดินเนสระเตมตันติอิตวานานเนกวิวิธานิจุปัตะวานิโมกขังสุขังอธิขเมยนาโรสปัญโยผู้ใดท่องบน วาจโนว่ากล่าวหรือท่องบทเป็นคนไม่เกียจคร้านท่องบทและลึกถึงอยู่ทุกๆวันแล้วก็จะสามารถที่จะละอุปัฏฐาวะหรืออันตรายอุปัฏวันตรายต่างๆได้แล้วก็บรรลุถึงอาจะบรรลุถึงความสุขบรรลุถึงความสุขที่เลิศ <c oughs> ความสุขที่เลอะโมกัมงสุกขขังอาทิเข้ามายะนารุสัปันจุประชาชนผู้มีปัญญาก็จะพึงบรรลุถึงความสุขที่เลอะทีนี้ถ้าจะถามเหตุผลว่าอ่าด้วยการท่องด้วยการสัทจะยายนี่เรต้องรู้ความหมายด้วยสัจทะยายแล้วรู้ความหมายไม่ใช่ท่องบนแบบไม่รู้ความหมายเรารู้ความหมายรู้คําแปล แล้วก็ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงของพระคุณพระพุทธเจ้าที่ท่านใดกระทำมากับบุคคลต่างๆทั้งแปดเรื่องแล้วก็ดูว่าในเหตุการณ์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้ส่งชนะอย่างไรโดวยวิธีใดโดวยวิธีใดถ้าเราพยายามถ่ายแบบถ่ายแบบของพระพุทธเจ้า ว่าในเหตุการ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านเอาช น, นะได้ด้วยวิธีใดแล้วเราในฐานะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าว่าควรจะเอาช น, นะหเหตุการ์อย่างนี้ด้วยวิธีใดก็วิธีต่างๆพระพุทธเจ้าท่านทรงประทมเป็นแบบอย่างมาแล้วอย่างเช่นว่าตอนที่หนึ่งทรงชนะมาร ด้วยพระบารมีบารมีสิบมีฐานเป็นตนเมาน่ะสิ่งที่ล้างผาญคุณความดีและทำให้เสียคนแต่ถ้าประจนมานก็ต้องเอาชนะด้วยบารมีเพาะะ้ในตำราพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าทรงรละลึกถึงบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาบารมีทั้งสิบทานศีลในขมมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะ อธิษฐานเมตตาอุเบกขาดานาดิธรรมาวิธีนาชิตวามุนินโดพระเจ้ามุนีทรงชนะโดยธรรมาวิธีมีทานเป็นต้นเพราะในชีวิตของคนเรามันมีมารเยอะไปหมดเลยลองคุยกับใครตัอใครหลายๆคนก็ได้ยินได้เรื่องว่าชีวิตมันถูกบีบคั้นชีวิตมันถูกบีบคั้นด้วยเหตุต่างๆก็น่าสงสาร ถ้าเป็นที่ตั้งแห่งความเมตตาการุณาก็ต้องใช้วิธีไม่ใช่ทานอย่างเดียวมีทานเป็นต้นเรต้องนึกดูโดยบารมีทั้งสิบทานศีลในครมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาและในตำราก็เล่าไปถึงกับว่าพระพุทธเจ้าทรง อาทิตฐานว่าเมื่อทำความดีแล้วก็ได้ส่งกรวดน้ำว่าน้ำนั้นไม่มากมายจนถึงกับ ว, ว่านางธรณีเป็นพยานปัญดาให้มีน้ำขึ้นมาท่วมพวกพญามานทั้งหลายอันนี้ก็เป็นวรรณคดีนะครับพอเป็นวรรณคดีมันก็สนุกคืออ่านแล้วก็สนุกแต่นี้ถ้าเพื่อเราจะถอดเป็นธรรมาทิตฐาน ไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นก็ได้ใครจะสนุกเกี่ยวก็เอาจะไม่เกี่ยวก็ได้ก็หมายถึงว่าต้องพันจนกันด้วยกําลังใจและคุณความดีดังต่างพัจนมาก ใ, ในเรื่องที่สองเกี่ยวกับอาเลวกระยับพระพุทธเจ้าก็ส่งช น, นะด้วยขันติไดขันติได้ความอดทนในเหตุการณ์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านส่งใช้วิธีอะไรเราจะได้แบบอย่าง เรื่องที่สามเมืองช้างนาลาคีรีก็ทรงชนะด้วยเมตตาพลังแห่งเมตตาจะสามารถเอาชนะได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นคนแม้เป็นคนร้ายบางทีก็เอาชนะได้ด้วยเมตตาแล้วก็เรื่องที่สี่เรื่องพระองค์คลิมานก็ส่งเอาชนะโดยด้วยการบรรดาลฤทธิ์และอิทธิปาฏิหาร ใชท่ทธิปฏิหารให้สยบซะก่อนแล้วสอนทีหลังแล้วก็เรื่องที่ห้าทรงชนะนางจินจะมานาวิกาผู้ใส่ร้ายพระองค์ด้วยความสงบสันเตนะโสมวิทินาด้วยความสงบลองสงบดูเขามากล่าวร้ายเขามาว่าร้ายเขามาใส่ความแต่มันไม่จริงเรื่องมันไม่จริง ก็ลองสงบดูอันนี้ก็ได้ผลมากถ้าเพื่อปฏิบัติใจท่านที่มีวัยสูงๆมีประสบการณ์ในทางนี้อาจจะได้บางคนอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มากๆเอาชนะเรื่องไร้ายๆต่างๆด้วยความสงบด้วยความนิ่งด้วยพลังแห่งความเยบก็ได้ บางทีคนที่กล่าวร้ายมาลงกราบก็มีเมื่อทราบความจริงข้าวเขลงกราบด้วยความเคารพออย่างนี้ก็เราต้องใจเย็นต้องใจเย็นพอที่จะฟังเขาพูดที่จะฟังเขากล่าวที่จะฟังเขาระบายความร้อนออกมาให้เขาระบายความร้อนออกมาแต่ว่าเราอย่าร้อนด้วยอย่าร้อนด้วยนั่งเฉย บางคนก็เคยมีประสบเหตุการ์พวกนั้นมาก็ได้ประสบชัยชนะก็ลองทำอย่างพระพุทธเจ้าทำก็ได้ผลเมื่อได้ผลก็เขามีความมั่นใจในพระพุทธคุณว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แลวก็เป็นสิ่งที่น่าทำตามแต่ส่วนมากคนใจร้อนมักใจใจร้อนมันทนไม่ได้ทนไม่ได้ ถ้านไม่ได้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ผลตามที่ต้องการถ้าบางคนก็มีประสบการณ์เรื่องพวกนี้มาเจอะก็เลยมีความมั่นใจมา ป, ประการที่หกมาประการที่หกนั้นสัจจ ก, กนิครนนั้นก็ปมเรื่องผมพูดเสียยาวเรื่องปรมเครื่องก็ชงชนะด้วยปัญญาต้องใช้ปัญญากับคนอย่างนี้ อเรื่องที่เจ็ดก็ทรงชนะโดยฤทธิ์โดยฤทรฤทธิ์ฤทธิ์ในที่นี้อาจจะเป็นอิทธิบาทนะก็ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็เรื่องที่แปดมันก็เรื่องนันโทปนันทะนาคาราชให้พระมหามคคลานะซึ่งเป็นผู้เลิศในทางฤทธิ์ก็ไปทรมานแล้วก็เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องพกักกาบพงเรื่องที่แปดมันเรื่องพกักกาบพง คนที่มีฤทธิ์มากๆนี่มันต้องคนทุกคนที่มีฤทธนะิ์เหนือกว่าไปปราบไปปราบแล้วก็จึงจะอยู่ที่มีฤทธิ์มากพนันโทพนันธาระราชพระมหาโมคลานะท่านมีฤทธิ์ในกระกว่าจะแสดงฤทธิ์ท่าไหนท่านก็ทําได้ทั้งนั้นแล้วก็เหนือกว่าอันนี้ก็พระเ ด, ดชชายพระเดชเหมือนกัน แล้วเขาก็ยอมแล้วก็มาเรื่องที่แปดเรื่องที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ก็เรื่องประกาศพรหมพระพุทธเจ้าก็ทรงชนะด้วยคาถาคือญาณการความรู้หรือว่าอประกาศพรหมนี่ก็มีอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้มมรู้ผิดอยู่ในความมืดหร่อว่า อยู่ในความมืดเข้าใจผิดเห็นผิดคิดผิดรู้ผิดผิดที่นี่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงปราบทรมานด้วยปัญญาด้วยยานปัญญาสองแสงสว่างสองแสงสว่างให้ดูพอเห็นแสงสว่างข้าวเขาก็ยอมเพาะฉะนั้นบางคนที่เขาเป็นคนที่มีสำคัญตนว่าเป็นผู้ที่ มีปัญญาหรือว่ามีความรู้ความเข้าใจอะไรดีแล้วอย่างประกับพรหมเราคิดว่าความเป็นพรหมนั้นดีที่สุดแล้วสูงสุดแล้วแต่ความเป็นอื่นยิ่งไปกว่านี้ไม่มีก็สามารถจะส่งแสงสว่างคือปัญญาริญาาจุดประกายปัญญาให้เกิดขึ้นแก่เขาเขาได้มองเห็นแสงสว่าง เห็นแสงตะ ว, วังมก็มองเห็นอะไรตามที่เป็นจริงก็ปัญญาได้ปัญญาคนที่อยู่ในฐานะสูงสูงแบบเดียวกับที่พระกับลมเป็นเนี่มันเป็นงนถูกโมหะครอบงำมียาวิชาครอบงำเยอะแยะแล้วก็สำคัญตนผิดไปถ้าเพื่อว่าไม่ได้ถ้าผู้ที่มีปัญญาดีกว่าเหนือกว่า ไปส่องแสงส่องแสงสว่างคือปัญญาให้ก็ไ ม, ไ, มไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่รู้ไม่เห็นก็ก็คงเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ทั้งทางที่อยู่ในฐานะที่สูงส่งนั่นเองเรายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นั่นเองคลายความเห็นจะต้องได้คนที่ยิ่งด้วยปัญญาหรือรุ่งเรืองด้วยปัญญามีปัญญามาก แก้ข้อข้องใจคลายความเห็นผิดจะได้แล้วก็จะเปลี่ยนความคิดของเขาได้ท่านผู้ฟังที่เาคารพรับวันนี้ขอจบพอดีครับพุทธชัยมงคลกถาทั้งแปดเรื่อง